ขพราความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รัระโพิยานในวันนี้ก็คงเป็นการพูดเรื่องศีลข้อที่สามคือการเมสุมิจาจา์ซึ่งเป็นสมากรรนตะต่อไปคืออย่างที่บอกไว้ว่าทิ่พุในพระบาลี ท่านจำแนกผู้หญิงไว้เป็นยี่สิบประเภทแต่ไม่ได้พูดถึงผู้ชายว่าเป็นยี่สิบประเภทหรือเปล่าเพราะผู้ชายถ้านับเนี่ยมันไม่ครบอะยี่สิบประเภทเนี่ยก็เลยเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ก็คือว่าผู้ชายเมื่อไปยุ่งเกี่ยวกับพัญยาของชายอื่น สมมติว่ามีท้อมีทาาขึ้นเ่มันก็ทำลายเชื้อสายของครอบครัวเขาตำนองกวาววาไข่แม่กาวฟักแต่ทีนี้ถ้าผู้หญิงเข้าไปเป็นี่ยก็เด็กคนนั้นก็ลูกของเขาแน่นอนแต่ว่าพ่อก็เป็นายระเลเยดเพราะมันทำให้ แบ่งออกไปเป็นสองกลุ่มคือผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเมสุมิชาจารย์หมายความว่าเจ็ดประเภทยังไม่เป็นกามเมสุมิชาจาร์เจ็ดแปดนะฮะผู้หญิงเอ่อเจ็ดประเภทแรกเป่นคืออะไรคนที่ยิงว่านับแปดก็ได้นะ หญิงที่มารดารักษาคือหมายความมาอยู่กับแม่หญิงที่บิดารักษาหญิงที่บิดามารดารักษาหญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาหญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษาเออหญิงที่ญาติรักษาหญิงที่โคตรคือสกุลรักษาแล้วก็หญิงที่ทำทำเนียมหรือทำรักษาได้แก่พวกเช่นว่า แม่ชีภิกษุณีสามเณรีนางสิกขามานาและแอะไรต่างๆหญิงเจ็ดประเภทแรกเนี่ยท่านถือว่าใครละเมิดไม่เป็นกามมอสมิชาจารย์แต่มีข้อแม้ว่าท่านเธอต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะปัญหานี้เป็นปัญหาเรื่องศีลส่วนกฎหมายมันก็ต้องดูที่ทุกติที่ที่กฎหมายที่หนึ่ง มันมีข้องสียก็คือว่าเด็บประเภทนี้ไม่เป็นการเมสุมิชาจารย์แต่ทีนี้พอมาถึงประเภทที่ตั้งแต่ตั้งแต่ประเภทที่แปดนะตั้งแต่ประเภทที่แปดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นคนของสถาบัน ในลี่นัยยกถาเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าเป็นคนในที่ไหนเป็นเป็นเป็นคนของสถาบันก็คือว่าต่อไปล่วงเกินก็เขาก็มีเจ้าขอ ง, งนะะมีสถาบันเป็นเจ้าของประเวณีนั้นแน่นอนว่าก็เป็นของเธออยู่แต่ว่าเธอก็เป็นคนสังกัดสถาบันถ้าใครไปล่วงเกินมันก็มีปัญหาในด้าน สิทธิตัวนี้คุณสังเกตก็เป็นเรื่องสิทธิชีวิตก็เป็นเรื่องสิทธิทรัพย์สินก็เป็นเรื่องสิทธิทางเพศก็เป็นเรื่องสิทธิรัตธรรมนูญเองเราก็เน้นที่สิทธินะฮะเดี๋ยวทำให้นึกถึงรัฐธรรนูญมาตราที่สี่มาตราที่สี่ที่บอกสิทธิเสรีภาพย้อนไอ้ไม่ใช่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพย้อนนรกการคุ้มครองนี คือถ้าคนมันรักศักดิ์ศรีเนี่ยก็จบแล้ววัยหญิงก็รักศักดิ์ศรีชายก็รักศักดิ์ศรีการล่ำเมิดกันการประพฤติผิดโดยไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในกรณีนี้พึงเข้าใจว่าเึ่นสมมติว่าหญิงเจ็บประเภทท่วาเนี่ยผู้ชายไปร่วงละเมิดแล้วไม่รับผิดชอบ มันไม่เป็นการเมสุมิจฉาจารย์จริงแต่เป็นอาธรรมมาจริยาคือการประพฤติที่ผิด ธ, ธรรมไอ้จิตสานึกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอถ้าเราคนเราคิดไม่ค่อยล้มเลียดละหมแล้วเนี่ยมันมันเป็นอารมณ์ด้วยกันทนะั้งสองฝ่ายอารมณ์นีปัญหาหน้ามืดด้วยกันทั้งคู่นะเพราะันไอ้ความล้มเมียดละไมมันไม่คยเกิดเกิดอยาก นานมาแล้วบอกไม่ใช่นานหลายสิบปีประมาณห้าสิบปีมาแล้วนะเธอะเป็นเด็กอยู่แล้วไปอ่านคํากรอนในที่หนึ่งตอนนี้นเราก็เป็นเด็กอายุสิบห้าสิบสี่สิบ้าแต่ทันเองแต่มันอ่านแล้วมันซึ้งยังไงชอบกดคํากรอนนี้เขายาวแต่ว่าจําได้ท่อนเดียวอ่านครั้งเดียวก็จําได้เลยแล้วทุกวันนยังจําได้อยู่นะ เขาบอกว่าหญิงจะงามก็เพราะความบริสุทธิ์เพศบุรุษจงรักศักดิ์สงวนแม้เกิดการเกินเลยเชิงเฉย ช, ชวนหญิงเสียนวนชายเสียนามไปตามกันแต่เมื่อเอาคุณค่าเข้ามาเทียบหญิงเสียเปรียบก็เพราะหญิงหมดมิ่งขวัญชายที่ดีควรจะมีคู่นาทันถนงขวัญจตรีไว้สี่เลยแล้วยังฝ่ายผู้หญิงเองเนะ มื่นึกถึงสุภาษิตสอนหญิงว่สมทรผู้สองสามบรรทัดตานั่นเองเนะี่ยก็เป็นหลักใจได้แล้วนะข้อความที่ว่าผู้ใดเกิดเป็นตตรียมีศักบำรุงรักษากายให้เต็มผลสมบัติงามตามระบอบไปชอบคนจึงจะพ้นภยัยพานการนินทาเป็นสาวแท่แรกรวยสวยสง่าก็หมายมาดเบดเมื่อียมีค่าแม่นแตกแล้วรันรอยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจะกลายนางเนี่ยเอาขนาดนี้นะ มันก็เป็นหลักได้แล้วเป็นเรื่องใจได้แล้วแต่ปัญหาเวลานี้ถ้าเราศึกษาติดตามข่าวคราวแล้วเนี่ยบางทีพูดได้คาเดียวว่าก็บุญะเราไม่มีลูกมันเป็นนอกวิสัยไปเลยแล้วตัวเลขต่างๆที่ปรากฏเป็นสื่อนั้นแสดงเรื่งองความตกต่าในเรื่องศีลข้อนี้มหาศาลแล้วปัญหาเรื่องการหย่าร้างปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาการทำแท้งปัญหาโมอเทือนโอ์โนมนตามมามากมายแล่กองเลยเป็นความตกต่ำระดับจิตวิญญาณของคนมันไม่ได้ฉุดคิดไม่ได้เฉลี่ยวใจคิดหลายปีมาแล้วมาเคยเจอแบบเด็กนมคนหนึ่ง mm. ก็ไม่รู้จักชื่อเ็าเคยเห็นหน้าเขาเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนที่บวชอยู่ที่วัดเนี่ยนะแต่ก็สึกไป วันหนึ่งเขาก็มาหาตอนเย็นเนะี่ยบอกจะมาขออยู่ที่วัดด้วยขออยู่ที่กุฏิด้วยถามเมื่อก่อนดูที่ไหนก็อบอกว่าชาวบ้านอยู่ที่เมือ ง, งนนแล้วถามมาทําไมแล้วก็มีบ้านมีช่องอยู่แล้วทําไมถึง ม, มาอยู่วัดทําไมเขาบอกว่าผมไปได้เสียกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเกิดมีท้องขึ้นมาพ่อแม่เขาก็บงังคับไปผมแต่งงานกับลูกสาวเขา ผมไม่อยากจะแต่งเลยก็ขอนี้มาอยู่กับท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็ถามว่าอ้าแล้วเขามีท้องมีไส่แล้วไม่แต่งได้งไง ร, ระเด็กไปในทอ ง, องเขาก็เป็นลูกของเราอ่ะทำไมไม่แต่งเลยเขาอ่ะเ้าบอกว่าผู้หญิงไม่สวยถามว่า มันไม่สวยมาก่อนที่เธอไปจีบเขาหรือว่าเพิ่งไม่สวยแกบอกไม่สวยมาก่อนบอกอา้าไม่สวยมาก่อนแนละ้วไปจีบก็ทาไมเมื่อมันได้เสียกันขนาดนี้มันไม่ได้มันต้องรับผิดชอบไม่เอานะแกะไม่เอาแล้วเราก็ไม่ไดบคุณอะไรกับเขาด้วยคือจะพูดมากก็ไม่ได้แล้วก็คุยเรื่องอื่นเปนน็นนานประมาณตั้ชั่วโมงแล้กว่าพวกกลับมาถามว่า กี่คนพี่น้องในที่บ้านเนี่ยแกบอกรู้สึกจะห้าคนนะฮะผู้ชายสองผู้หญิงสามอะไรเนี่ยถามมีน้องสาวไหมมีพี่สาวไหมมีก็บอกเป็นสาวแล้วสิตอนเนี้ยก็เป็นแล้วตัวเขาโตเป็นหลุมแล้วนะฮะบอกว่าเออสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะมาทําน้องสาวเธอจนมีท้องแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบ น้องสาวก็ได้พี่สาวก็ได้ไ ม, ยม่ยอมรับผิดชอบเธอจะว่าอย่างไงยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องฆ่าล้างโคตรกันเลยพูดดูมากเลยนะบอกกันนั่นนั่นสิถ้าพี่ชายน้องชายของผู้หญิงที่เธอทำเขาปีท้องมีสายหรือญาติของเขานี่คิดเหมือนเธอแล้วเธอจะ เข ค, คิดว่าต่อไปจะเป็นยังไงนั่งนิ่งนะ่ะนั่งอึ้งอยนะู่นันแล้วก็ดังอ้อกันมาเนะี่ยเสร็จแล้วก็กลาบแล้วยังจ น, จน บ, บัดนี้ยังไม่เคยพบกันคือนี่เราจะเห็นว่ามันปัญหากียที่ความคิดความสานึกเป็นเรื่องที่ละเมิดละไม่นะอย่าลืม่าเป็นเรื่องละเมิดละไม มันพัญยาของคนคนหนึ่งไปมีชู้แล้วก็มีท้องแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งมันเสียหายหมดเลยพ่อก็ไม่ได้ทาหน้าที่ของพ่อแม่ก็ทาหน้าที่ของแม่แต่ว่าเป็นเมียที่ถอยยศต่อสามีแล้วสร้างความ อ, อับระยล ด, ดสู ลูกไม่มีพ่อให้เกิดขึ้นดูมันซาบบามันเยอะจังนะฮะเดี๋ถ้าเราคิดได้ดีแล้วนี่มันเป็นเป็นเรื่องที่เสียหายหต่อสังคมมากแต่ว่าเวลานี้อยู่ในเกมที่จริงๆริพูดยากนะฮะเพราะจากการที่อาตมาอารมเด็กมามามาเยอะถาในกรณีที่เปิดโอกาสให้ถามปัญหานี่จะเจอปัญหาเรื่องนี้ตลอดปัญหาเรื่องรักผู้ชายรักผู้หญิงอะไรแต่ไรไี่นะ แล้วเด็กไม่สูงหรอกปัญหาที่เราสวดมาเราจะให้ถามเนี่ยเด็กก็มสามถึงโมโหกหรือว่านักศึกษาอย่างมากเนี่ยนักศึกษาก็ขนาดปีสี่ปัญหาก็อยู่ในแ ว, นแวแดวงตรงนี้ยพือแสดงให้เห็นได้ว่าความคิดในเรื่องของความเป็นกุลบุตรกุลธิดากุลสตรีเนี่ยมันจางหายไปเยอะภายในสังคมไทย ปัญหาเรื่องทางเพศปัญหาเรื่องรูเอตปัญหาสังคมกับต่างๆก็ติดตามมาเยอะแล้วคือทีนี้ผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านถือว่าถ้าผู้ชายไปร่วมเกินถือว่าผิดศีลข้อกาเมคือหญิงที่อะไรล่ะหญิงที่ผู้ปกครองรักษาคือหญิงมีคู่มั่น ถึงคุ้มั่นก็ไปเพ่มเกินก็นไม่ได้นะไปมีสัมพันธ์ทางเพศเว้ยเธอยังไม่แปลงไปหาประสบการณ์ไปกอดเธไม่ได้นะเอาประสบการณ์ไกอไม่ได้สมัยนี้มายังไม่ได้บวชเนี่ยเคยเจอเราก็เรียกว่าพี่นะเป็นคนรุ่นพี่แล้ ว, วก็ก็ไปหากินอย่างนั้นเนี่ยแต่เราก็อายุสิบแปดสิบเก้าวันหลังก็มาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วนะ ชาวกรุงเทพเนี่ยไปเจอกันที่หาดใหพี่จะกลับแล้วถามว่าไปไหนแล้วไปบ้านไปทํำอะไรไปแต่งงานตกใจเลยเพราะก็มไอยู่ที่หาดใหก็ไปหากินด้วยแต่ไม่กล้าพูดอ่ะให้กล้าพูดเพรารุ่นพี่แต่นี่ก็โห โ, หโลกนี่มันหาลิโดจังเลยนะแล้วก็สามีเนี่ยก็แต่งงานกับอะไรก็ไม่รู้จะเรียกว่าโซเฟนีหรือเปล่าก็ไม่รู้่นะ แต่นั่นก็คือภาพสังคมเราถ้าเราไปเจาะลึกนะฮะสังคมมันมีปัญหามากแล้วก็หญิงที่ถูกกฎหมายห้ามคือหญิงในราชสำนักเจา้าจอมอมห้ามทั้งหลายเนี่ยพวกนี้นี่ตกในรกทั้งเป็นนะถูกประหารเนี่ย ถประหารถูกตะถุลสมัยโบราณเนี่ยหญิงที่ชายถ่ายมาได้ซักเพื่อเป็นพัญญาคือยุคสมัยที่ก็มีทาสนะฮะแล้วก็ไปถ่ายมาหรือว่าไปขายอะไรแต่อะไรในตำเนียมจีนนระาดูถังซื้อจีนเนี่ยจะเจอเรื่องแบบนี้เยอะสังคมอินเดียก็มีลักษณะอย่างนีน้แล้วผู้ชายก็ไปถ่ายมาเพื่อเป็นพัญญายังถ่ายมายังไม่ได้กตกแต่งให้เป็นพัญญาอะไรนะฮะแล้วเคยไปยุ่งเกีย่ยวกับเขา ก็เป็นกาเมตสุมิชาจาร์หญิงที่สมัครใจอยู่ร่วมกับชายเช่นว่านางสาวกอไปสมัครใจอยู่ร่วมกับนายคอและ้ะนายกอไปยุ่งเขาเนี่ยไม่ใช่นายคอไปยุ่งเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นกาเมตสุมิชาจาร์หญิงที่อยู่ร่วมกับชายเพราะได้สมบัติหมายความคล้ายๆกับอะไรล่ะเป็นลูกย่างด้วยเป็นปัญญาด้วยนะ แล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่เป็นพัญญาตกแต่งอย่าลืมนะลองลองสังเกตว่าพวกนี้ยังไม่ติดกับปัญญาตกแต่งแต่ว่าใครไปร่วงลบเมอก็ถือว่าเป็นการไมส่สมมวิชาจารยหญิงที่อยู่ร่วมโดยได้เครื่อ ง, งมืคมอันนี้ก็แสดงว่ายญิงยากจนผู้ชายก็ไปเลี้ยงดูแบบท่าบแบบคนใชป้ปนปนกันไปนะฮะและหญิงที่ผู้ปกครองเป็นใจให้ชาโดยอามือจุ่มนาม้าร่วมกัน ไอ้นี่ก็จัดให้ตกแต่งตกแต่งเป็นรำมีปัญญากันแล้วไอ้นี่มั น, ม, นมันชัดเจนนะฮะว่าผู้หญิงเขาก็มีสามีมีเจ้าของแล้วหญิงที่ชายปลงเสิดลงจากศีรษะนี่ทำเนียนโบราณทำเนียนโบราณที่มันผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆกับไปผูกพันุ์อะไรใครแล้วก็มีกำหนดโดยการเอาเซิดไปขูมไว้ศีรษะ แล้วก็ตีราคาอะไรนี่แหละแล้วผู้ชายก็ไปตรงเสร์อนั้นออกมาก็าถือว่าตรงนั้นน่ะถือว่าอยู่ในครอบครองครอบครองของผู้ชายคนนั้นแนละแล้วก็หญิงที่เป็นทัานธาตีทั้งปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาลับๆตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือไม่รู้มีคนก็มาถามบ่อย เจอปัญหาในแนวนี้บ่อยก็แสดงว่าสังคมในมันฟอนเฟอไม่ใช่เล่นนะเขาก็บอกว่าผู้หญิงก็ไปหากินเนี่ยก็มีสามีเนี่ยมันเป็นกา ร, การเมร์หรือเปล่าบอกผู้หญิงคนนี้เขาไม่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของประเวณีเนี่ยสามีก็เป็นเจ้าของประเวณีตอนเมื่อเขาสมัครใจมาขายตัวก็ถือว่านอกใจสามีแล้วเราเมื่อไปยุ่งเกีย่ยวก็ถือว่าเป็นการเมร์สมิชาจาร์ในตัวปัญญาเขา อณะนี้เจอบ่อยนะเจอบ่อยแล้วก็ผู้ชายมันถามแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจู้จี้ไม่เค่อยทราถามรายละเอียดอะไรทอะไรเราก็ตอบไปตามหลักเท่า น, นั้นเองแตในขณะเดียวกันมันสะท้อนมันสะท้อนภาพอะไรเพราะคำถามคนก็ดีตัวหนังสือที่ถามมาก็าดีก็ความที่เขียนนี่ที่ยิงลองกลับไปที่คนได้นะถ้าเราลองสังเกตและแล้วมองกลับไปที่คนได้ บ่าคนคนนี้เป็นยังไงแสดงว่าเขามีตกิตตะขวมใจอยู่เราเคยไปทำไม่เหมาะไม่ควรมาโดยความหลงผิดเข้าใจผิดหรือว่ารู้ทั้งทั้งที่รู้แต่ว่าห้ามใจไม่อยู่อะไรก็ตามนะก็สะท้อนให้เห็นว่าภาพลักษณ์ในลักษณะนี้ไอ้ที่เขาไม่ถามเราในคุณเยอะๆยะเต็แล้วเวลานี้มันก้าวหน้าไปเยอะ ซึ่งกลายเป็นปัญหาศีลธรรมที่จริงเนี่ยมีคนเคยมาเล่าอะไรให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่ว่าเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขอ่ะแต่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ตกต่ำลงไปมีการแลกสามีพันยาแบบแบบอเมริกานะ่สังคมอเมริกาเนี่ยก็บมาแล้วในเมืองไทยเราบนี่วันก่อนไปทาง ทางภาคอีสานนะฮะทางจังหวัดเลยนี่เขาเล่าเล่าฟังที่พู้อะไรพู้กระดึงหรือผู้อะไรนี่นก็ไปแสดงกันนะะคือไหม้นุ่งผ้าแล้วก็ทําแบบคนป่าโบราณทำแบบคนป่าโบราณนะบบนณนะผู้หญิงก็หนีผู้ชายก็ไล่ไล่ยอยู่ในป่า น, นั่นน่ะนึกโอ้โหมั น, โโมนปล่ยกันใหญ่ะแล้วพวก น, นี้ที่จริงถึงผู้รายการวิทยุไปงี้ก็ไม่ได้ยินเละนะ เราก็ฟังราการดามาทีนี้ก็มาปรับลบไปฟังว่าความตกต่ำในเรื่องนี้มันเป็นกรรมเฉพาะตัวคนแล้วมีผลกระทบต่อสังคมทำให้สังคมเกิดเกิดความแตแกแยกเกิดความร้าวฉานเราลองยึกดูถึงว่าผิดผลอย่างหนึ่งเช่นว่านายกไปล่วงละเมิดภรรยาของนายนายขอแล้วจนตั้งคัน เกิดลูกขึ้นมาเนี่ยเวลาเนี้ยมันก็กลายเป็นตรวจดีเอ็นดีได้แล้วถ้าในกอ่อแก่เกิดความระแวงขึ้นมาในตรวจดีเอ็นดีปรากฏไม่ใช่ลูกของแกเนี่ยครอบครัวแตกไปนะในกอกับพัญญาก็ต้องอยาดขาดกันลูกเองก็กลายเป็นลูกไม่มีพอ่พอเพราะถ้านายตัวชู้จะไปรับข้าวมันก็มีปัญหาภายในครอบครัวตัวเองแล้วม่นไปนสร้างบาป เป็นเรื่องช่วรูปของอารมณ์นี้เดียวนะคือคนไปให้ความสำคัญแก่เรื่องเพศนี่มากเกินไปโดยขาดการดับยั้งชั่งใจขาดการควบคุมตัวเองขาดติดสมนุกของความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพจรัรกีและก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่กลัวปาปกกลับ ไม่กลัวบาป ก, กรรมแล้วก็ปฏิเสษบาป ก, กรรมขึ้นโดนยิงผิดไปโดนกระหมุนหล่นปิดเมียท่านได้บุญนะโลกกรเด็ได้กินในเทวานแล้วก็หญิงที่เป็นทั้งลูกจ้างแล้วก็เป็นพันยาหญิงเลยศึกหญิงที่ชายอยู่ด้วยชั่วคราวสมมติว่านางเกาะนายกอไปนัดกับไอโซเพนีขอไปจะไปอยู่ร่วมกันไปแล้วเดี๋วนี้แล้วก็นายคอไปแทรกระหว่างกลางในที่ผิดนะ เพราะว่าเป็นข้อที่เขาตากลงสัญญากันศีลศีล น, นี่มันจะมีความละเมียดละไม่ถ้าหากว่าคัดเกลาวจิตใจของบุคคลได้ด้วยศีลเนี่ยมันจะเกิดสมนึกรับผิดชอบก็ ม, ม, มีมีเรื่องเรื่องครูบรรชูนะแต่เรื่องมันก่อนกันยาวคือสรุปว่าครูบรญชูเนี่ยแกตายไปสองครั้ง แล้วก็คุยมาสองครั้งนะนะแล้วครั้งที่คุยคร่องที่สองนี่ก็เล่าที่ว่าไปพบอดีตผู้ใหญ่บ้านในใ น, ในกายบ้านแกนะแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแกรู้จักเนี่ยก็ลึงปีนต้นนิ้วคนอยู่แล้วก็ถามโยมมาทูดโยมมาบานนะโยมมาบานว่าคนนี้ทําไมถึงต้องปีนต้นตนิ้วก็เรียกต้นนิ้วหรือต้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นไม้ที่มันแปลก ว่เวลาเขาเขาปีนขึ้นเนี่ยเข็มมันไปเอไม่ใช่ห น, นามันจะเด้งขึ้นบนเวลาเขาไม่ใช่สิเวลาลงใ น, น้ําจะเด้งขึ้นบนเวลาขึ้นเนหนาจะกดกลับมาข้างล่างเพราะฉิวต้องขึ้นต้องล่องเลยโชคเป็นตัวเด็กเขถามมันานมผิดอะไรเขากบอกคนเนี้ยเป็นชูกันแล้วก็มาเล่า มันเล่าจนพิสูจน์อะไรได้หลายเรื่องได้เยอะนะฮะได้หลายเรื่องมันมีคนคนหนึ่งที่ไปผิดลูกเมียเขาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสัง่งลูกชายเอาไว้ว่าให้เวลาคือคือครูบรรจุนี่บอกคนจะตายเนี่ยแกแกไปเห็นบัญชีนรกมาเนี่ยห้าคนแกบอกถูกหมดสี่คนไดนะ้เป็นบอกถูกหมด เมื่อก่อนเขไม่เชื่อกันนะ่ะพอมาถึงคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องไปผิดเมียเขาด้วยไปชักแกสยองตรงนี้นะฮะสยองหนามยิ่งขึ้นมาแล้วร็สั่งลูกชายว่าให้เวลาฆ่าตายแกวขวานใช้ลงนะ้าหน่อยยิ่งโคตรตรงนี้นายลบไปหมดเลยลูกชายก็ใส่ไปให้จริงเนี่ยสองสามคืนก็มาเข้าฝันว่าให้แกวขวานออกหน่อยนะมัน อ, อกขวานตีหัวขาทุกวันเลย เออจนเนี้ยสมมติว่าเราเชื่อเนี่ยมันมีดีโดยส่วนเดียวเลยเนี่ยเราเชื่อนิดเดียวมีนรกแล้วก็ตายไปตกนรกแล้วขึ้นตรงนี้น้ำแรงเนี่ยเราเชื่อขนานี้จะเป็นหลักใจเพราะว่าในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะหลกเลี่ยงอะไรไปมาได้นะแต่ว่านรกเนี่ยมันไม่มีการให้อภัยมันเป็นไปตามกฎของกรรมของมัน บานนั้นแนวตรงนี้กานผู้ฟังลองสังเกตว่าถ้าเราไปอ่านพวกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในใจครูอะไรอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหินศิลข้านี่แหละศิลข้านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่และโดยเฉพาะใน่องสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันไปมา ง, งเป็นเรื่องอะไรล่ะเอานารกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อตอนนั้นเองทําให้ปัญหาศีลธรรมข้อนี้แก้ไม่ได้ จึงเกิดปัญหาที่สมากมันตะว่าความประพฤติของคนนั้นออกไปจากขนนอนแห่งธรรมแล้วก็นำปัญหามาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมตลอดถึงการเดีวว่วาการเกิดในสังสารวัติของบุคลคลผู้นั้นต้องฟังเท่ายหร่แต่หลวงยานในวันนี้เขยจะตีไว้โดยเวลาเป็นครั้านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง, ง, งามไปบุญในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี